การที่พวกเราทั้งหลายมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญจิตตภาวนา <c oughs> ก็เพื่อเป็นการสร้างที่พึ่งทางใจให้แก่ใจที่จะต้องรับกับภัยของทางร่างกายคือความแก่ ความเจ็บความตายความพัดภาคจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบและการประสบกับสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่ชอบถ้าใจไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาเกิดภัยทางใจขึ้นมาใจจะต้องมีแต่ความทุกข์ทรมาน มีความเดือดเลือเดือดเนื้อร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสั์กระสายกระวลกระวายวิตกกังวลเครียดกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าใจได้สร้างที่พึ่งทางใจไว้เวลาเกิดภัยต่างๆใจจะไม่เดือดร้อน ใจจะมีที่หลบหลบภัยต่างๆเหมือนกับร่างกายที่มีบ้านไว้หลบภัยจากภัยทางฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกเวลามีพายุถ้ามีบ้านอยู่อาศัยร่างกายก็ปลอดภัย ใจก็เช่นเดียวกันใจก็จะต้องมีที่พึ่งมีบ้านไว้สำหรับป้องกันภัยต่างๆภัยของใจก็คือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายการพัดพลาดจากของรักและการเผชิญกับของที่ไม่รักไม่ชอบ การปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตตภาวนาจึงจำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของคนแก่ของคนเจ็บของคนตายคือจะไม่ใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเพราะว่าสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย จะต้องสูญเสียพลาดพลาคจากสิ่งที่รักที่ชอบไปจะต้องเผชิญพบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจจึงต้องซ้อมอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี้ก่อนอยู่แบบคนแก่อยู่แบบคนเจ็บอยู่แบบคนตายอยู่แบบคนยากจนอดอยากขาดแคลน อดมือกินมือที่อยู่อาศัยก็อยู่แบบคนขอทานอยู่กันพอหลบแดดหลบฝนได้แต่ไม่รูหราไม่สวยงามไม่มั่งคั่งไม่ไม่พร้อมกับเครื่องอให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือการ บำเพ็ญการเจริญสติสมาธิปัญญาที่จะเป็นที่พึ่งของใจถ้าเรายังรักความสุขทางร่างกายอยู่ยังยึดด้วยอย่างอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งอยู่ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เราจะพึ่งอะไรเราก็จะปราศปราศจากที่พึ่งพอเราไม่มีที่พึ่งเราก็จะต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญจิตตภาวนากัน มาเจริญสติสมาธิปัญญาด้วยการปลีกวิเวกด้วยการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมกายวาจาใจด้วยการรักษาศีลแปดหรือศีลของนักบวชเพื่อที่จะได้ตัดการพึ่งพาอาศัยร่างกาย ให้หันมาพึ่งพาอาศัยธรรมะคือสติสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะทำให้เกิดที่พึ่งทางใจขึ้นมาถ้าใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจก็จะมีธรรมังสารนังกชามิมีธรรมะเป็นที่พึ่งของใจ ธรรมะนี้ก็เป็นอากาลิโกเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วใจก็จะมีที่เพึ่งไปตลอดเป็นที่เพึ่งที่แท้จริงเป็นที่เพื่งที่ถาวรไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่เพึ่งได้ชั่วคราวพอร่างกายไม่สามารถเป็นที่เพื่งได้ความสุข ความปลอดภัยจากความทุกข์ก็จะหายไปความทุกข์ต่างๆก็จะไหลเข้ามาสู่ใจดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับภัยต่างๆในวันข้างหน้าล้าเราไม่อยากจะต้องทุกข์กับภัยต่างๆเราก็จะต้อง ขวนขวายสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาให้ได้ถ้าเราขวนขวายถ้าเราพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและได้ทรงสั่งสอนไม่นานเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจเช่นเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้กันอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของเหตุได้ผลไม่ใช่เรื่องของออความเรียกว่า เ, เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลเรื่องของพรมดนบันดาลสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถดนบันดาลที่พึ่งทางใจให้กับเราได้ เช่นการที่เรากล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปแล้วเราก็อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองรักษาให้เราไม่ต้องเผชิญกับทุกข์ภัยอันตรายต่างๆการขอการอธิษฐานแบบนี้ไม่ได้เป็นเหตุ ที่จะทำให้เราได้ที่พึ่งที่จะปกป้องพิษภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่การปฏิบัติคือการจเจริญจิตตะภาวนาจเจริญสติสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีที่พึ่งทางใจได้ทำให้เราปลอดภัยจาก ภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แล้วก็มีผู้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีที่พึ่งเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายเช่นความแก่ ความเจ็บความตายความสูญเสียสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไปหรือการเผชิญกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบพวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันถ้าเหตุคือการปฏิบัติเป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวคทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติกัน ดังสิ่งที่เราควรที่จะดูหรือตั้งเป็นเป้าหมายก็คือเหตุอย่าไปตั้งเป้าหมายที่ผลเพราะว่าจะทำให้เราไม่ปฏิบัติกันมัวแต่ไปนั่งรอผลขอผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้จะไม่มีวันที่จะได้ผลผลจะเกิดต่อเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจของเรา ลงไปที่เหตุคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนี้เองคือเริ่มด้วยการรักษาศีลแปดสัมรวมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ถอนออกจากการแสวงหาที่เพึ่งทางร่างกาย สแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วก็ให้หันเข้ามาสแสวงหาความสุขผ่านการเจริญจิตตภาวนาผ่านการเจริญสติสมาธิปัญญาคือให้เราหันเข้ามาหาธรรมะเป็นที่พึ่งของใจถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราไปปลีกวิเวก อยู่ตามลำพังได้อยู่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆที่จะมาเข้ามาทางทวารทั้งห้าหรือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจยังต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทวารทั้งห้าอยู่ ใจก็จะหาความสงบไม่ได้เพราะจะมีเหตุการณ์ต่างๆคอยเข้ามารบกวนใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นการบำเพ็ญจิตสภาวนาการจเจริญสัมมาทธรรมการจเจริญธรรมะให้เป็นที่พึ่งของใจจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงเก่นลดโพัฒต่างๆแล้วเมื่ออยู่ในที่วิเวกแล้วก็จำเป็นจะต้องอยู่ตามลำพังอย่าไปคุกครีกันปกติบางทีเราก็อยู่ในที่วิเวกแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่ด้วยกันหลายคนเช่นอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรม ก็มีหลายคนไปอยู่ร่วมกันสถานที่สงบสงัดวิเวกแต่ถ้าเรามาคุกคีกันมาสังคมกันมาจับกลุ่มคุยกันทำกิจกรรมที่ไม่พึงกระตําเช่นการหาความสุขจากการดื่มน้ำปานะมากจนเกินเหตุเกินผลแทนที่จะเอาเวลาไปบำเพ็ญ ไปเดินจงกลมนั่งสมาธิก็มารับประทานดื่มน้ำชากาแฟขนมนมเนยกันอย่างนี้ก็ยังถือว่ายัางใช้ร่างกายเป็นที่พึ่องอยู่ยังหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่หรือเวลาสนทนากันคุยกันก็เป็นการแก้ความ ความเหงาเพราะโดยปกติถ้าใจไม่สงบเวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกว้าเวหวอ้างว่างเปล่าเปลี่ยวก็อยากจะมีคนอื่นมาสนทนาเพื่อจะได้แก้ความว้าเหวซึ่งเป็นความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งและนเมื่อเวลาไปอยู่ในสถานที่วิเวกแล้ว ก็ไม่ควรที่จะจับกลุ่มกันไม่ควรคุกคีกันถ้ามีความจำเป็นก็ต้องคุกคีแบบไม่ส่งใจออกหากันให้สำรวมใจไว้ข้างในเช่นเวลามาทํากิจกรรมต่างๆเช่นมาทําความสะอาดทาอาหารล้างถ้วยล้างชามหรือทํากิจกรรมอะไร ที่จำเป็นจะต้องทำพร้อมกันก็ทำด้วยการมีสติให้ใจอยู่กับการภาวนาต่อไปให้อยู่กับการเจริญสติถ้าใช้การบริกรรมพุโทโธก็ให้ใช้การบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆพร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆอย่าปล่อยให้ใจออกไปพบปะสนทนากันคุยกัน ถ้าพอออกไปคุยกันแล้วก็ถือว่าไม่ได้บําเพ็ญไม่ได้เจริญสติผลก็จะไม่เกิดขึ้นและกว่าจะเสร็จกิจกรรมใจก็อาจจะพุ่งสร้างขึ้นมากว่าจะกลับไปที่พักของตนเพื่อบําเพ็ญก็จะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะสงบความพุ่งสร้างของใจได้ แต่ถ้าเวลามาทำกิจกรรมรวมกันแล้วมีความมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้ส่งออกไปหาคนนั้นคนนี้ไม่ให้สนทนาเรื่องนั้นเรื่องนี้กันถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็พูดให้น้อยที่สุดถ้าที่จำเป็นถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องพูดเลยบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป หรือถ้าใช้การดูร่างกายเป็นเครื่องเจริญสติก็กเฝ้าดูการเคลื่อนไหวเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไปอย่าไปดูการกระทำของผู้อื่นให้ดูการกระทำของเราเป็นหลักถ้าดูการกระทำของผู้อื่นก็ดูเพียงเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ไปชนกับเขาหรือไม่ไปทาอะไรที่ เกิดความเสียหายกับผู้อื่นเท่านั้นแต่เราจะคอยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเป็นหลักไม่ว่าร่างกายกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายนั้นเช่นกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังนั่งทำอะไรก็ให้อยู่กับการนั่งทำอะไรไปอย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น อย่าไปส่งใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่กับเหตุการณ์ที่ร่างกายกำลังกระทำอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นการเจริญสติเป็นการบำเพ็ญในขณะที่มีความจำเป็นที่จะต้องมา ร่วมทำภารกิจร่วมกันทํามาแบบนี้ก็จะไม่ขาดทุนพอเสร็จภารกิจก็แยกกันไปอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่คนละมุมหามุมของตนหามุมที่สงบสงัดเพื่อจะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปเพราะการกระทำการปฏิบัติแบบนี้เท่านั้นแหละ ที่จะทำให้ผลที่เราต้องการเกิดขึ้นได้ก็คือทรมังสรรนังกชามิธรรมะขั้นต่างๆที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราของพวก เราที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบไปจะต้องประสบพบกับสิ่งต่างๆที่เราไม่รักเราไม่ชอบถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเวลาเราพบกับเหตุการณ์เหล่านี้เราจะทุกข์มากอย่างเมื่อวานก็มี ท่านหนึ่งสุภาพสติก็มีความทุกข์มากเพราะว่าจะต้องไปทําการรับการผ่าตัดทําใจไม่ได้ตรงไม่ได้ใจมีความเครียดมีความวิตกมีความกังวลนี่ก็เพราะว่าไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาขึ้นมานั่นเองถ้าได้เจริญแล้ว จะรู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะรู้ว่าการปล่อยวางร่างกายการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเ ป, เป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ที่มาเป็นเจ้าของชั่วข่าว เป็นผู้ที่มาควบคุมมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เราไม่สามารถไปควบคุมเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เราเพียงแต่สั่งให้ร่างกายเราทำนั่นทำนี่ไปไหนมาไหนได้ในวิญญาณในเวลาที่ร่างกายเป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย แต่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนี้เราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เราต้องทำใจอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องปล่อยวางร่างกายร่างกายทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆไปตามสภาพของเขาถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้าต้องผ่าตัด เพื่อที่จะรักษาให้หายก็ต้องผ่าไปถ้าผ่าแล้วไม่หายหรือผ่าแล้วตายก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะว่าในที่สุดไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องตายไปอยู่ดีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้แล้วไปรักษารักษาแล้วหายก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นอีกจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่ตายไม่ใช่รักษาครั้งนี้ก็เพียงแต่ยืดเวลาของร่างกายให้อยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในที่สุดมันก็จะต้องไปเจอโรคภัยไข้เจ็บแบบที่รักษาไม่ได้มีแต่จะต้องตายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีสมาธิแล้วใจจะวางเฉยได้ ใจจะปล่อยวางร่างกายได้จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งส่วนใจนี้เป็นเหมือนผู้ขับรถยนต์เมื่อถึงเวลาที่คนขับกับรถยนต์จะต้องแยกทางกันคนขับก็ออกจากรถมาเท่านั้นเองปล่อยให้รถไปตามตามเรื่องของเขา แต่ถ้าไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติจะไม่รู้จักวิธีออกจากรถยนต์ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจกับร่างกายก็เปรียบเหมือนกับคนที่โดยสารเครื่องบินแต่เป็นเครื่องบินที่แบบว่าจะต้องตกเพียงอย่างเดียว ขึ้นเครื่องบินเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็จะต้องตกวิธีที่จะออกจากเครื่องบินนี้ก็มีทางเดียวก็คือต้องเตรียมร่มชูชีพเอาไว้ถ้ามีร่มชูชีพเวลาเครื่องบินตกเครื่องบินจะตกก็กระโดดออกจากเครื่องได้แล้วก็ใช้ร่มชูชีพพาให้ลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยการมีธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนกับการมี ร่มชูชีพนี้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องบินที่ไม่ช้าก็เดี๋ยวจะต้องตกก็คื อ, คอตาช่องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีทางอื่นดังนั้นการที่เราจะมัวมาคอยอแก้เครื่องบินพยายามรักษาเครื่องบินไม่ให้มันตกรักษาอย่างไรมันก็รักษาไม่ได้อย่าไปเสียเวลามันต้องตกแน่น เอาเวลามาหาเครื่องชูชีบดีกว่าถ้าเรายังไม่มีเครื่องชูชีบรีบหาเสมันอยู่ในเครื่องบินนี่แหละลองหาดูพอเราได้เครื่องล่มชูชีบแล้วทีนี้เราก็จะสบายใจมันจะตกเมื่อไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนดีกว่ามัวแต่มาคอยรักษามาซ่อมเครื่องบินไม่ให้มันตกรักษาไงในที่สุดมันก็จะต้องตก ร่างกายนี้ให้รักษาให้ดีอย่างไรให้ใช้เงินใช้ทองมากน้อยเพียงไนมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีวันที่มันจะไม่ตายดังแทนที่เราจะเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาซื้ออาหารซื้อหยูกซื้อยาซื้ออะไรต่างๆเพื่อที่จะมารักษาร่างกายให้อยู่ไปนานๆ มันก็จะเสียเวลาเปล่าๆเพราะว่าเราจะไม่ได้มาสร้างที่พึ่งทางใจกันแต่จะหาเงินหาทองเพื่อจะได้มีเงินซื้อหยูกซื้อยาเอาไว้ใช้ใจ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลต่างๆรักษาอย่างไรร่างกายมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้วใจก็จะต้องวุ่นวายจะต้องทุกข์อยู่ไปเรื่อย เพราะว่าไม่ได้มารักษาใจกันไม่ได้มาหาที่พึ่งทางใจกันมูแต่สร้างที่พึ่งทางร่างกายกันอันนี้เป็นการกระทาของคนไม่ฉลาดของคนที่ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าได้พบพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะทาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าจะตายก็ไม่ได้ไปหาโรงพยาบาลท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่ของท่านถ้าร่างกายยังเดินได้ท่านก็เดินร่างกายยังทำอะไรได้ก็ทำร่างกายลุกไม่ได้นอนก็ต้องนอนแต่ท่านไม่ได้ไป วุ่นวายกับการหาหมอหาอยู่ขายาเพอาใจของท่านไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายนั่นเองพระที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคือพระปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเช่นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือกราบไหว้ท่านก็ไม่ได้ไปสวงหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาเตรียมตัวรักษา ร่างกายของท่านท่านก็มีแต่รักษาใจของท่านเพียงอย่างเดียวเจริญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งมีที่พึ่งไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาลของร่างกาย ท่านจะเวลาไม่สบายจะเข้าโรงพยาบาลก็ได้ไม่เข้าก็ได้ไม่เป็นปัญหาที่เข้าบางทีไม่ได้เป็นเพราะว่าท่านต้องการจยเข้าแต่เป็นเพราะลูกศิษย์ลูกหาลากท่านเข้าไปเองด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความหลงด้วยความไม่เข้าใจว่าท่านไม่เดือดร้อนกับการรักษาหรือไม่รักษา หรือถ้ารักษาก็เพราะว่าท่านเห็นว่ายัางอยู่ในสภาพที่รักษาได้แก้ไขได้อันนี้ก็รักษาไปแต่ถ้าเห็นว่ามันอยู่ในสภาพที่รักษาไม่ได้แล้วก็อยากไปรักษาให้มันเสียเวลาเช่นอย่างที่คนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจทำกันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสายโยงสายยาง เครื่องหายใจเครื่องอะไรต่างๆทำหน้าที่แทนอวัยวะของร่างกายการกระทาแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้ใจมีความสงบแต่อย่างใดใจก็ยังทุกข์ยังวุ่นวายใจอยู่สู้ปล่อยให้ตายไปจะดีกว่าสิเพราะจะได้หมดปัญหาไปอย่างน้อยก็หมดปัญหาในรอบนี้ไปไม่ต้องมาทนอยู่กับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยนานจนเกินไปสู้ปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติดีกว่าถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเวลาคนที่รักเช่นบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรธิดาเป็นอะไรไปก็จะรักษาไปตามสภาพของร่างกาย คือจะไม่ใช้เครื่องม้เครื่องมือแบบเลยเกินเหตุเกินผลแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรดีต่อร่างกายคือไม่ได้ทำให้ร่างกายฟื้นหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเพียงแต่ประวิงเวลาไม่ให้ร่างกายตายไปเท่านั้นอยไม่ทำแบบนี้เพราะทำไปก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานใจ ให้กับคนไข้และคนที่เกี่ยวข้องด้วยสู้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายดีกว่าถ้าร่างกายถึงเวลาที่จะต้องไปยังอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะถ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้ปฏิบัติก็จะทำใจได้แต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติไม่เคยศึกษาก็จะ ดินดนต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะดึงร่างกายนี้ไว้ไม่ให้ตายยิ่งต่อสู้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าปล่อยแล้วความทุกข์ทรมานใจมันจะหายไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติสร้างที่พึ่งทางใจเพื่อให้ใจ ปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกายคือเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายดัยงนั้นการปฏิบัติจึงต้องเริ่มที่การเจริญสติเมื่อเรามีศีลแล้วเราอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วงานหลักที่เราจะต้องทํา ก็คือการเจริญสติคือการดึงใจให้ออกจากความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้รู้อยู่เฉยๆให้รู้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็ได้หรือถ้าไม่อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ก็ต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไป เพื่อที่จะได้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองถ้าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆเวลานั่งสมาธิจะไม่มีวันที่จะสงบได้เป้าหมายของการเจริญสติก็เพื่อที่จะได้ทำใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองสตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้จิตรวมเป็นเอกขัตตารมรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ จิตที่รวมเป็นหนึ่งสัก์แต่ว่ารู้จะเป็นจิตที่ปลอดจากความทุกข์ต่างๆเป็นที่หลบภัยได้แต่เป็นที่หลบภัยเพียงชั่วคราวชั่วขณะที่อยู่ในสมาธินั้นเวลาอยู่ในสมาธินั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดขึ้นกับใครก็ตามใจจะไม่รับรู้เลยใจจะปล่อยวางหมด เรื่องราวของร่างกายก็ปล่อยวางเรื่องราวของคนอื่นก็ปล่อยวางเรื่องราวของบ้านของเมืองของอะไรต่างๆปล่อยหมดไม่รับรู้ไม่สนใจรู้อยู่อย่างเดียวก็คือความว่างสักแต่ว่ารู้อยู่กับอุเบกขาใจเป็นกลางไม่รักไม่ชงไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่จะอยู่ได้ไม่นาน แล้วก็ต้องออกมารับรู้ต่อไปถ้าอยากจะรักษาใจให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาต่อไปถึงแม้จะรับรู้แต่ไม่มีปฏิกิริยาคือไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงกับสิ่งที่รับรู้ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้กากับดูแลใจสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยง จะไปะอยากให้เขาเที่ยงไม่ได้อยากให้เขาเป็นดังใจของเราไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราเขาไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปนี้ตั้งแต่เวทนาความรู้สึกของร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ เวทนาจะสุขหรือจะทุกข์หรือจะไม่สุขไม่ทุกข์ถึงเวลาเขาเกิดเขาก็ต้องเกิดเราจะไปห้ามไม่ให้เขาเกิดไม่ได้เวลาเขาเกิดแล้วเราจะไปสั่งให้เขาหายไปก็ไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาหายอยากไม่ให้เขาเกิดเราก็จะผลิตความทุกข์ใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าทุกเขเวทนาของทางร่างกาย แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงอันนี้เราก็จะไม่ไปยุ่งกับทุกขเวทนาจะไม่ไปยุ่งกับร่างกายจะไม่ไปยุ่งกับเหตุการณ์ต่างๆภายนอกทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองในขณะนี้หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของราบยศสรรเสริญเราจะไม่ไป อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะปล่อยวางเขาเป็นอย่างไรเรารับได้ทุกรูปแบบเขาจะเจริญเราก็รับได้เขาจะเสื่อมเราก็รับได้เวทนาจะสุขก็รับได้จะทุกข์ก็รับได้จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับได้ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจใจก็จะไม่ออกไปอยากให้ เวทนาก็ดีร่างกายก็ดีเหตุการณ์ต่างๆก็ดีลาบยศจ ะ, ะสรสนุขก็ดีให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เพราะเขาเป็นอนิจจงเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขามีขึ้นมีลงมีมามีไปมีเกิดมีดับ นี่คือปัญญาที่จะต้องคอยสอนใจไม่ให้ใจสร้างความอยากขึ้นมาเช่นเวลาแก่ก็อยาาไปอยากให้ไม่แก่เวลาเจ็บก็อยาาไปอยากให้ไม่เจ็บเวลาตายก็อยากไปอยากให้ไม่ตายให้ใจเป็นอุบเบกขาวางเฉยแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไป สิ่งที่แก่สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาเป็นผู้กำกับดูแลเท่านั้นเองแต่ใจผู้ที่มากำกับดูแลนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของของธาตุสี่ดินน้าลมไฟไม่สามารถที่จะสั่งให้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มารวมกันอยู่นี้ รวมกันไปอย่างถาวรได้ไม่ช้าก็เร็วการรวมตัวของธาตุสี่ในน้าลมไฟก็จะอ่อนกําลังลงไปแล้วการแยกตัวของธาตุสี่ในน้าลมไฟก็จะมีกําลังมากขึ้นนี่แหละคือเป็นเหตุของการของความชราของความเจ็บคไายได้ป่วยของความตายก็คือกําลังของ การแยกออกของธาตุสีดินน้ำลมไฟมีมากกว่ากําลังของการรวมตัวของดินน้ำลมไฟเวลาเกิดนี่กําลังรวมตัวนี่มีกําลังมากกว่าการแยกออกของธาตุสี่ธาตุจึงรวมตัวกันจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้อย่างเต็มที่แต่พอกําลังที่รวมธาตุสีเริ่มอ่อนกว่ากําลังที่ จะแยกธาตุสี่ร่างกายก็เลยเกิดการเสื่อมเกิดความชราตามลำดับเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยตามลำดับแล้วก็ในที่สุดก็เกิดความตายพอตายแล้วธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันอย่างถาวรธาตุลมก็จะออกไปธาตุไฟก็จะออกไปธาตุน้าก็จะออกไปเหลืออยู่แต่ธาตุดิน ธาดินก็ในที่สุดก็จะเปื่อยจะผุจะกลายเป็นดินไปอวัยวะต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพอไม่มีท่าน้ําเหลืออยู่แล้วก็จะแห้งกรอบแล้วก็จะเปื่อยจะผุแล้วในที่สุดก็กลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ ดินน้ำนมไฟแล้วก็เป็นการแยกสลายของดินน้ำนมไฟตามวาระของเขาตามกฎของอนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการรวมตัวแล้วก็มีการแยกตัวกันอันนี้เป็นเรื่องปกติของดินน้ำนมไฟเขาแยกออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมตัวกันใหม่เอา เอาคี้เถ้าไปโรยไว้ใต้โคนต้นไม้เดี๋ยวมันก็ไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ไปเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปมันก็ไปไปรวมตัวเป็นอีกอย่างหนึ่งไปจากร่างกายมันก็ไปรวมตัวไปเป็นต้นไม้แล้วต้นไม้พอสัตว์มากินเข้าไปมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ไปพอคนมากินสัตว์มันก็ไปเป็นอีกส่วนหนึ่งของคนไป มันก็หลกันไปเปลี่ยนกันไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งจากร่างกายไปสู่ดินจากดินไปสู่ต้นไม้จากต้นไม้ใบหญ้าไปสู่สัตว์จากสัตว์ไปสู่มนุษย์มันก็วนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างนี้นี่เป็นเรื่องของธาตุสี่ส่วนใจคือธาตรู้ก็เป็นผู้ที่มาครอบครองธาตุสีคือร่างกายนี้ในขณะที่อยู่ในคัน ของแม่ของมารดาแล้วพอออกจากพันก็เป็นผู้กํากับสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความอยากตามความหวงของตนแล้วก็ไปทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าที่รู้ความจริงว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงที่ไปอยากให้ร่างกาย ที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราไปอย่างถาวรเป็นของเราเพียงชั่วคราวแต่เราอยากจะให้เป็นของเราอย่างถาวรพอเขาจะต้องจากเราไปเราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นสมบัติชั่วคราวเขาจะต้องจากเราไปในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปหวงอย่าไปหว่วเถึงเวลาเขาจะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไปเวลาไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการไปหรือการอยู่ของร่างกายความทุกข์เกิดจากความอยากของใจอยากไม่ให้เขาไปก็จะทุกข์อยากให้เขาอยู่ก็จะทุกข์นี่คือความจริงที่พวกเราได้รับจากพระพุทธเจ้า พระคุณของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของบิดามารดาบิดามารดาให้เราเพียงแต่ร่างกายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทงองเท่านั้นแต่บิดามารดาไม่สามารถให้ธรรมะให้ที่พึ่งทางใจแก่เราได้ให้แสงสว่างแห่งธรรมกับเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้ธรรมะแก่สรรโลกได้พระอาหลานตัสาวก็เป็นผู้ที่รับธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาให้กันอีกทอดหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระอาหลานตัสาวกมาเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้ได้ดังนั้นพระคุณทั้งหมดนี้ต้องตรงไปที่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีพระธรรมคําสอนจะไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาเอาพระธรรมคําสอนมาเผยแผ่ให้เป็นที่พึ่งของพวกเรากันพวกเราจึงเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากและวิธีที่เราจะทดแทนหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งตัดว่าให้ปฏิบัติบูบชาผู้ที่ ผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติบูชาผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าขอให้เราทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทียนนี้เป็นเพียงการแสดงความความเคารพเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เป็นการบูชาที่แท้จริง ถ้าอยากจะบูชาที่แท้จริงต้องปฏิบัติต้องเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาให้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของใจให้ได้เท่านั้นเพราะนี่คือความปรารถนาของพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนนี้พระองค์ไม่มีความปรารถนาอะไรจากใครทั้งนั้นเพราะพระทัยของพระองค์นี้ทรงเปลี่ยนไปด้วยปรมังสุขขังแล้วถ้าเป็นงานก็ เต็มค้องเต็มบ้านเต็มช่องไม่มีที่เก็บแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจากใครทั้งนั้นแต่การที่ทรงยอมเสละชีวิตที่เหลืออยู่อีกสี่สิบห้าปีมาเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคําสอนนี้ให้แก่สัตว์โลกก็เพราะมีความกรุณาความสงสารที่เห็นสัตว์โลกนี้ยังถูกความมืดบอดความหลงหลอกให้ไปแบก ร่างกายหลอกให้ไปหลงไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมายอยู่ทุกภพทุกชาตินี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสอนความจริงอันนี้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วสัตว์โลกสามารถนาเอาความจริงอันนี้ไปสอนใจไปปล่อยวางความหลงความยึดติดความอยากในร่างกายได้สัตว์โลกก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นถ้าผู้ที่มีความรักมีความเคารพพระพุทธเจ้า อยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอยากจะทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเถิดจะเป็นการทดแทนบุญคุณที่พระองค์ทรงปาถนาจะได้ทำให้พระองค์รู้สึกไม่เสียเวลาต่อการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลก ดังนั้นขอให้พวกเราคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงหน้าที่ของพวกเราคิดถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและเราจะได้ทดแทนพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันเลยนี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติทำกันเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจเพื่อให้ใจได้หลุดพ้นจากภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตก็คือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความสูญเสียความพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบละความเผชิญกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อน กับภัยต่างๆถ้าได้สร้างธรรมะขึ้นมาเป็นที่พึ่งของใจจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญเพื่อรักษาใจให้มีที่พึ่งนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความปลอดภัยที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาริวหาปุราริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปวาเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุทธาปจายิโน จตารุธรรมวทานติอายุวโน ส, าา ส, สุขังภาลางมีอะไรอยากจะถามไหมพอแล้วถ้าตกบกห้องตรงไหนบ้างถ้าว่ามาเดินจงกรมถ้านหนึ่งเดินไปสักประมาณชั่วโมง มันก็จะสงบลงเรื่อยๆแต่บางครั้งมันก็จะมีความคิดพึ่เกิดขึ้นมาแต่ว่าเป็นทางกุศลนะเจ้ค่ะอย่างเช่นอาจารย์เทพแบบที่เบ็นี้ตาเทพแบบนี้แบบนี้กูแบนเทพแบบนี้แบบนี้หนูต้องหนูต้องจุดแล้วก็ดูความคิมันจะกระจายหลายอยมาจนจนมันดับค่ะไม่ได้เอากระถูกนี่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ถ้าคิดไปในทางปัญญาก็ใช้ได้<ช>คิดไปในทางธรรมะก็ใช้ได้เอแต่อย่าไปคิดทางโลกยอย่าไปคิดทางตันหาความอยากอยากให้เรื่อ ง, งนัน้างงานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ่าได้แล้วก็อันก็อิจฉาด้วยอีวยช่วยกิจกรงที่ได้ซึ่งมันจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสินค่ะหนูก็ยังต้องเดินทางมีแล้วตัวนั้นสองคัน ดีใมหนึ่งตึง้ตงจะไปนะคะแล้วก็รมันแล้วก็แต่เวลาเดินทางก็จะมีพัดก็ธรรมชาติสะอาดท่าอาจารย์โปดฟังอยูขึ้นยีไรยังจะไ ม, มก่ก็จะฟังอยู่นในรถไฟก็จะฟังฟงวันหนึ่งมันก็จะมีไปในเมืองไเจ้าค่ะมันจะมีช้อปปิ้งจะล่ารวเยอะเซล้วอะเลยเจ้าค่ะมันนั้นตั้งใจวันนี้จะซื้อรองเท้าบูดหนึ่งคู่ แลเขาก็ไม่ได้พิจารณาอะไรเขาตั้งใจจะเป็นศิมันก็เดินไปแล้วก็เดินไปเจ้าคุณแหละแล้วจิตมันคิดขึ้นมาว่าตาถ้ทบรู้พอใจไม่พอใจแล้วก็ไอ้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอก็จะ อ, อีกตัวหนึ่งก็จะเถียงว่าสินี้ยังไม่มีเอาสิ่งนี้เมื่อก็จะเขียงกนอยู่นั่นเชียวค่ะไอ้ตัวที่มาเบรคเนี่ยมัตัวเบรบอกว่า แล้ไม่เคยฟังเทศหลวงพ่อหรือไบางคนอะมีอยู่สองเท้าม <k ills> um no er ีรงเท้าเป็นร <t taps> <us> okay, ้อยเป็นพันค so <t> ู่แล้วมันก็จะเที่ยงอยู่นี่จะทำไม่จบมนสองตัวอีกตัวหนูมีความรู้สึกว่าดูอยู่เฉยๆอีตัวเนี้ยจะรู้สึกลขาดหนูก็เลยพูดเสียงดังออกมาว่าโอเคไม่ซื้อใช่หมม่ซื้อก็ไม่ซื้อจบปก็นูเดินอกจากพื้นงก็คือชื่ออะไรไม่ร้หนูไม่ทบวตัวนี้เป็น ก็จะตปดฉีดว่าของเหมือนติดใช่ไหมมันก็มีส่วนเป็นของธรรมะแต่มันยังอาจจะไม่ถึงอถึงรากเง้าของมันคือถ้าถึงรากเง้ามันต้องบอกว่าออ่มันไม่จําเป็นซื้อมาก็แทนที่จะเป็นความสุขมันจะเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าจะต้องมาคอยดูแลรักษามัน การปฏิบัตินี้เราต้องการปลดเบื้องใจออกจากกองทุกข์ไม่ใช่หาความทุกข์เข้ามาเพิ่มขึ้นถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันก็จะถึงจะเห็นถึงแก่นของมันถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์อยู่เป็นแต่รู้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของของครูบาอาจารย์แต่เรายังไม่รู้ถึงเหตุผลว่าทำไมท่านถึงสอนไม่ให้เรามีของมากจนเกินไป อันนี้มันเดี๋ยวมันก็อาจจะอยากได้ใหม่ขึ้นมาออกแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้เพราะที่เราซื้อนี่พอเราคิดว่ามันเป็นสุขแต่มันเป็นเพียงสุขเดี๋ยวๆตอนที่อยากได้ตอนที่ได้มาแต่พอได้มาแล้วทีนี้มันเป็นทุกข์แล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนเวลาหายก็เกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมา ต้องเมาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถ้าถ้าไอตัวนี้ไม่ได้เรียกมาบ่นบ่นใช่ไหมถ้าถ้ามาก็เหมือนกับเบรกก็ก็อยู่จังจัซื้ออะไรที่ได้ถ้าตัวนี้มแต่ถ้าไม่มาก็กระจายเงินจะขาดทีก็ไม่มาจะขาดอีกทีก็จะต้องพาลูกไปดูที่้เท่าไัณฑมันก็คิดขึ้นมาว่าของมีเพี้ยนก็ไปดูของมีเพ่้ยนมันก็ดิกแล้วก็เสนาว่า หรือร่าเรามันก็ไม่เที่อ้เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ของนายวิวพิพิธภัณฑ์นึงก็เขบอกไม่เทื่ยงเหมือนกันมันจะเปน็นก็จะมาแค่นั้นเจ้าค่ะคือถ้าเราทําอะไรเกี่ยวกับข้องกับคนอื่นเราก็ต้องมองเหตุผลของคนอื่นเป็นหลักไม่ใช่มองเหตุผลของเราเช่นถ้าเราพาลูกไปพิพิธภัณฑ์นี้อาจจะจําเป็นต้องพให้เขาได้รู้ได้เห็นเพราะเป็นการศึกษาให้เขารู้ เรื่องราวต่างๆจะได้มาเป็นความรู้สอนให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่างมีคุณภาพมีความสามารถถ้าเราไปคิดว่ามันไม่เที่ยงไม่ต้องไปดูหมดลูกมันก็จะไม่ได้รับรู้อะไรไม่มีความรู้ก็เหมือนก็ไม่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนก็ได้เมื่อมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว <c oughs> อย่างนี้มันมันก็ไม่ใช่แล้ะ ใ้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องปัญญานี้มันเรื่องสอนใจเราสำหรับเราเราทำได้แต่สำหรับคนอื่นนี่เขาอาจจะยังไม่มีออความรู้ความสามารถเหมือนเราเขายังต้องอยู่กับในโลกนี้เขายังต้องต่อสู้หาดิ้นรนหาความสุขต่างๆเราก็ในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นแม่เราก็ต้องสนับสนุนให้ลูกได้มีความรู้ ทางโลกนี้เพื่อที่เขาจะได้อยู่ดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติมีสมัมอาชีพไม่ต้องไปทำอ า, อาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนี่เราต้องแยกแยะเวลาเวลาที่เราจะคิดอย่างนี้เราคิดเพื่อเราหรือคิดก็เพื่อลูกถ้าเราคิดเพื่อเราเรื่องของลูกนี่เราเขาต้องเรียนรู้ก็เราก็ต้องผ่าเขาไป เขาต้องเรียนหนังสือเราก็ต้องส่งเขาเข้าโรงเรียนไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปเรียนถ้าเราทำอย่างนั้นได้แล้วลูกเขาเชื่อเราก็ดีไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เอาลูกไปโรงเรียนไม่ได้ไปส่งไปเที่ยวที่ไหนพอมาขอมรดกพระพุทธเจ้าก็จับบวชเนรเลยตั้งแต่อายุเจ็ดขวบบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไป อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราต้องดูว่าเขาจะยอมไปกับเราหรือเปล่าเวลาเขามีปัญหาที่โรงเรียนเขาจะก็จะมาถามว่าแม่มั น, มนคิดมากเลยในหัวก็มีแความคิดแล้วมันฟุ้งซ่านมากจะทำยังไงหนูก็ไม่ทราบจะสอนยังไงเพราหนูก็เพื่อทัวอย่างเดียวะช่ไหมที่จะตัดเขาที่ตัวเขาเขาก็บอกตัวยังไม่ได้ไปอย่างแม่นี่ยังไม่ได้ไปทําทางทํานี่ ก็จได้ไม่ยอมทุกทรเจ้าค่ะก็เลยงั้นไปถามไม่เจอเธอไม่แก้ให้ไม่ได้แล้วมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมคนจะได้ยินเสียงได้ยินคำถามที่สมาธิครับ เงกับเป็นผู้ดูคดีผมแยกไม่ออกบางทีผมก็ถ้าอยากได้มันจะเพ่งนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ดูเฉยๆมันจะสบายกว่าแต่มันก็ยังไม่เคยถึงขนาดสงบนะครับแต่จริงๆที่ถูกเป็นผู้ดูคือต้องเพ่งก็ เ, เหมือนกันไม่ใช่เพ่งก็ดูเหมือนกันเพ่งแต่เป็นระดัคือความโลภมันมมอนกนอ ก, ก็ต้องเพ่งและดูแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความโลภ เพ่งไปเฉยๆทำหน้าที่ไปเฉยๆเช่นให้ให้ดูไมโครโฟนนี่ก็นั่งดูมันไปเฉยๆอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้ได้ผลให้มันสงบให้ดูเฉยๆดูเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายของการเพ่งการดูก็เพื่อที่จะระงับความคิดปรุงแต่ง ถ้าเราระงับความคิดปรุงแต่งได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เช่นเราดูลมหายใจเข้าออกนี้ก็ดูไปเฉยๆดูที่ปลายจมูกเวลาลมสัมผัสที่ปลายจมูกเข้าเราก็รู้ว่าเข้าเวลาออกเราก็รู้ว่าออกแค่รู้แค่นั้นเองไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจสัน้นหายใจยาวหายใจหยาบหรือหายใจละเอีกเพียงแต่รู้ว่าลมจะเปลี่ยนไปเมื่อภาวนาไป ตอนต้นมันอาจจะสั้นต่อไปมันอาจจะยาวตอนต้นมันอาจจะหยาบต่อไปมันจะละเอียดก็รู้ไปตามความความจริงของลมใช้ลมเป็นที่ผูกใจไว้เหมือนกับเรือถ้าเรือเราไม่ผูกกับท่าไว้เดี๋ยวมันก็จะไหลไปตามกระแสน้าใจเราก็มีกระแสน้าที่จะพัดพาใจเราไปก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆ ถ้าเราปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความคิดตรงแต่งมันก็จะไม่เข้าสู่ความสงบแต่ถ้าเราผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุโทโธใจก็จะไหลไปตามกระแสความคิดไม่ได้พอใจไม่คิดแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบการเข้าสู่ความสงบก็มีหลายลักษณะบางคนก็แบบ พวดพาดลงเหมือนตกลุมตกบ่อไปบางคนก็ค่อยๆลงไปทีละขั้นสงบทีละขั้นเบาลงไปทีละขั้นทีละขั้นอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะเป็นรูปแบบลักษณะไหนก็ได้เราบังคับไม่ได้อยู่ที่สติของเราในขณะนั้นว่ามันมีความต่อเนื่องมากน้อยเพียงไหนเน้นขอให้เรามีสติคอย กใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากาหนดไว้แล้วก็อย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมาคือผลพลอยได้เช่นมีปิติมีความขนลุกซ่ามีน้ำตาไหลมีแสงสว่างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อย่าไปาให้ความสนใจให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ให้เรากลับมาอยู่ที่อารมณ์ของ ของใจต่อไปให้ดูไปเพ่งไปจนกว่ามันจะเข้าสู่ความว่างความสงบอย่างเต็มที่พอมันถึงจุดน้แล้วไม่ต้องทําอะไรมันจะนิ่งเฉยๆของมันเองตอนนั้นการดูรวมการเพ่งอะไรก็จะหยุดไปหายไปมีแต่อุเบกขามีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีความว่าง อันนั้นคือจุดหมายปลายทางของการภาวนาดันั้นเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการการภาวนาแบบไหนถูกกับเราได้ผลดีเราก็เอาแบบนั้นเพราะว่าบางทีเราไปหาครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็บอกให้ทำอย่างนี้ไปหาอีกรูปหนึ่งท่านก็ให้ทาแบบนั้นซึ่งของท่านก็ถูกของท่านเป็นท่านได้ผลอย่างนั้นท่านก็สอนแบบนั้น แต่สำหรับเรานี่มันอาจจะไม่ได้เหมือนท่านจริตอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะทำแล้วมันมันขัดไม่ไม่ถนัดก็ต้องปรับดูอว่าอันไหนเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นอารมณ์ที่เหมาะกับเราเป็นวิธีที่เหมาะกับเราเราก็ใช้วิธีนั้นไปถ้าสมมติว่ากำหนดจิตนะครับ เราดูจติตลอดนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันว่างนะครับอาจารย์ก็คือมันมืนไม่มีความคิดเหมันว่างจากงานนะครับอาจารย์คราวนี้เราคงทรงทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นตลอดเลยนะครับอาจารย์ถ้าถ้ามันว่างมันก็จะดีเพราะว่ามันจะไม่มีความความไม่สบายใจไม่มีความทุกข์ใจมาเข้ามานั้นเอง เวลามันมีกิจอะไรทีกระทบเราก็รู้สึกว่ากิจนี้กระทบมันก็ดึงออกนะอาจารย์ก็คือให้มัน ด, ดึงออกไม่คือให้ปล่อยวางเหมือนเดิมเหมือนเราจะรู้รู้ตลอดนะนึนกถ้าทุกนี่กระทบจะทําให้เราเป็นทุกเราก็ดึงออกแล้วก็เหมือนไม่อยากจะคิดต่อเงครับอาจารย์ก็ดีไงก็ต้องการไม่ให้คิดให้รู้เฉยๆแล้วก็ให้ปล่อยวางสิ่งที่มาให้เราสัมผัสรับรูบ้ให้รู้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แ้นีต่ก็ดําเนิออ <c oughs> เน อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆรักษาความว่างของใจไปเรื่อยๆรหรือว่าถ้าอยากจะทดสอบว่ามันจะว่างแบบนี้ไปได้ตลอดหรือไม่ก็ต้องหาอะไรมากระทุ่งมันดูลองอดข้าวดูบ้างลองไปอยู่ที่น่ากลัวดูบ้างลองนั่งมานาให้มันเจ็บมันปวดดูบ้างดู ว, ว่ามันยังจะว่างหรือเปล่าอ พอมันอาจจะว่างในสภาพที่เป็นปกติธรรมดาแต่พออยู่ในสภาพที่มันอดอยากขาดแคลนมีความมีความเจ็บมีความปวดตามร่างกายต่างๆนี่มันจะว่างหรือเปล่าหรือมีภัยต่างๆเข้ามาเช่นไปอยู่ในที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยดูซิว่าใจเราจะว่างหรือเปล่ารือถ้ามีความกลัวนี่ก็แสดงว่าไม่ว่างนะ Spot, เราก็ต้องทำกำจัดความกลัวนั้นให้ได้ให้มันให้มันว่างให้ได้ให้มันเฉยให้ได้หรือถ้าไปสัมผัสรับรู้สิ่งที่เราชอบแล้วเกิดความโลภเช่มีคนมาเสนอให้เงินเรากี่ล้านกี่ล้านให้งานเราอย่างนี้ดูซิว่าเรายังจะว่างเฉยได้หรือเปล่าถ้าถ้ากะโดดรับก็แสดงว่าไม่ว่างนะเข้าใจไหมอ่า <c oughs> <c oughs> อาจารย์ครคืออยากสอบถามนะครับก็คือว่าเวลาที่มันเกิดความสงสัยก็คือมันคําว่าเวลาที่เราปฏิบัติจนจิตเรามันนิ่งหรือนสงบอยู่กับอ่าอยู่กับตัวเองครับก็คือมีสติอยู่ระดับหนึ่งเราอยู่ดีๆมันเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาแล้วมันทําให้จิตเรามันตกลงแล้วก็กลับไปพุ่งซ่าเหมือนมันถอยหลังกลับไปนะครับจะแก้ยังไงดีก็หยุดความสงสัยนั้นไว้ก่อนรว่าตอนนี้เรายังไม่มีปัญญาพอที่จะ ตอบปัญหาความสงสัยนี้ได้ก็อย่าเพิ่งไปหาคําตอบให้กลับมาหาความสงบหาความว่างไปก่อนอลืนเข้าคำบริกรรมกลับมาที่บริกรรมพุโทโธทําใจให้ว่างก่อนแล้วถ้าจะออกมาคิดก็ให้คิดไปในทางตายลักให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปก่อนถ้าเดี๋ยวคําตอบต่างๆมันก็จะออกมาเอง คำตอบทั้งหมดมันอยู่ที่ไตรักนี่อยู่ที่อริยาศาสตร์สี่นะถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ก็แขวนมันไว้ก่อนอย่าไปแบกมันให้เสียเวลานะหรือจนกว่าเราไปได้ฟังเทศฟังธรรมหรือได้สนทนาธรรมกับผู้ที่รู้แล้วพอเราถามท่านท่านก็อาจจะให้คำตอบ เ, อาเราไดนะ้ถ้ายังถ้ายังไม่มีคำตอบอย่ามาคิดให้มันเสียเวลาเหนื่อยเหนื่อยไปเปล่าๆแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็ขอบจินะคะีดอยากทราะคว่าเวลาปฏิบัติแ่บนั่งสมาธิทางคันนี้รู้สึกว่าไม่แน่ใจมือปิดติดป่าเพียงแต่ตัวมันจะสั่นโครอะค่ะแล้วกนั่งไปเราพยายามจะปล่อยวางี่จะไมู่ตัวปิดติมันก็จะสั่นออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันแต่ว่ามันก็นั่งกีดนั่งฟังทาไปก็จะสั่นสไปจนระงเวทนาพอมันโครงเยอะๆอะค่ะเวทนามันตีกลับมันก็เลยหุดออกมาสมาธิ คาจริงมันยังไม่เป็นสมาธิหรอกถ้ามันสั่นนี่มันไม่ใช่สมาธิถ้าสมาธิมันต้องนิ่งถ้าสั่นนี่ก็แสดงว่าใจยังปรุงแต่งอยู่ใจยังแกว่งอยู่แสดงว่าสติเราอ่อน<ม>เราต้องพยายามควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้เช่นอยู่กับพุโทโธก็ต้องให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าเราไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้ ต้องกลับมาที่พุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราใช้ลมก็กลับมาที่ลมเราใช้อะไรเราก็กลับมาที่ส่วนนั้นสิ่งนั้นอารมณ์นั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าจิตใจมีมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วมันจะไม่ทําให้ร่างกายสั่นหรือแข่งหรืออะไรทั้งนั้นเวทนาก็จะไม่เกิดอถ้าใจสงบใจมีอารมณ์มีสติต่อติดอยู่กับอารมณ์ที่เรา ใช้ผูกใจไว้นี่มันจะไม่มีอะไรมิแตะมันมีแต่จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเพียงอย่างเดียวถ้าร่างกายเริ่มสั่นนี่แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราควบคุมใจเราไม่ได้แล้วใจที่ร่างกายมันสั่นเพราะใจมันสัน่นต่อน ป, ปกติใจนี่มันเป็นเบากายเป็นเบาใจเป็นนายถ้าใจไม่สัง่งกายมันจะเป็นทาอะไรไม่ได้ถ้ากาย สั่นก็แสดงว่าใจมันสั่นนะมันถึงสัน่นเพราะมันไม่มีสติควบคุมใจดังั้นต้องพยายามให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นพุทโธก็ได้เป็นโมหายใจก็ได้หรือจะเป็นบทสวดมนต์ก็ได้ขอให้เรามีอะไรยึดจิตใจไว้ก่อนเพราะใจของเรายังไม่มีกําลังที่จะออ่ดูแลรักษาตัวมันเองได้โดยที่ไม่มี ที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกับเด็กหรือคนชราที่เวลาจะเดินนี่จะต้องมีไม้เท้าหรือมีผู้ใหญ่คอยจูงไปก่อนแต่ถ้าโตมีกําลังวังชาแล้วก็ไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้ลมก็ได้สติมีกําลังมากแล้วก็สามารถใช้สติควบคุมใจให้ว่างให้นิ่งได้ใ น, ในเบื้องต้นท่าใจยังท่าร่างกายยังสั่นอยู่นี่แสดงว่าเราไม่มีสติ กำลังพอที่จะควบคุมใจถ้าเราไม่มีอะไรมายึดเดี่ยวจิตใจมันก็จะไปกันใหญ่มันก็จะเราดึงมาที่ฐานหนึ่งได้ไหมคะเจ้าเช่นไปที่ปลายจมูกอย่างนี้ค่ะโดยไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ได้งั้นก็ก็ดูที่ลมเลยใช้ลมแทนก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้บทสวดมนต์ก็ได้อะไรก็ได้ขอให้มันมีอะไรไว้ยึดไว้ยึดเดี่ยวจิตใจ เหมือนอย่างที่เมื่อกี้พูดแล้เรือเนี่ยเรือมันจะไหลไปตามกระแสน้ําเราก็ต้องมีที่ผูกเรือไว้เช่นมีท่ามีเสาหรือถ้าไม่มีท่าไม่มีเสาเราก็ต้องทอดสมออคือขอให้ใจมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจมันถึงจะนิ่งถึงจะสงบได้ ถ้านั่งไปแล้วมีอาการต่างๆนี้แสดงว่ายังไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิมันจะต้องไม่มีอะไรเลยว่างศักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเพียงนั้นก่อนก่อนก่อนหน้าเนี่ยในชุดประจวันเนี่ยก็คือผมก็ใช้ดูลมหายใจนะคะดูลมหายใจเป็นปกติแล้วก็ดูอินญาดลบหลักอินญาถึงยอดแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของจิตใจนะคะ แล้วมัีรัศสารที่แล้วอยู่ปีนี่ไปเาแล้วก็พัดตกลงมาแล้วการตกเนี่ยที่ตกใจจืองแต่ระหว่างตกใจเนี่ยจิตมันเิดกค่ะเกเป็นมือนจูู้ที่มันพูดออกมาดมันมันเหนว่ามันไม่ใช่เราอะค่เราเหมือนเราคูดคนอื่นตกลงมาเห็นมันเหมือนใปสะอา มชั่นมากสช้ามากที่มตกมันน่าจะไวนะคะตอนนั้นกืบสามเด้อนสองกว่าแต่ว่ามันช้ามากวิศระหุช้ากว่าจะตกออก ม, มาถึงพื้นแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจิตจัดตกใจแล้วจิตมันเล็กนิดนึงแล้วเราก็เป็นเหมือนคนเป็นคนดูคนอืกก่นตกแล้วมันก็ร่วงออกมาพื้นคือสภาวะจิตตรงนั้นเนี่ยคือปกติูว่าหนูก็มีจิตผู้รู้หนูที่นะคะก็มแต่ว่า ไม่มันตัน้งตื่นคือเหมือนกับว่าเราสร้างขึ้นมาเองหรืเปล่าแว่านะเวลาที่นเกิดบั่นทีมั น, น, น, มนหมืนว่าจิตมันพลิกก็มันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราจเจริญสติอยู่เรื่อยโดยทําให้จิตของเรานี่มีสติ ด, ดูเหตุการณ์ต่างๆได้พอสติเราเราเราเ ร, าเร็วมากมันก็เลยทําให้เราเห็นเหตุหการณ์ต่างๆมันช้าไปเอออพอาะสติเราเร็วมากเราเห็นมันก่อนที่มันจะเกิดหรือกำลังเกิดเนี่ย มันก่อนหน้าลยที่มันตกใจสั่นะ<ช>มันก้วมัก้าวมเหยียบอ้าแล้นก็รูเทีการตกใจพอ<ช>ตกใจแล้วมันจิตมันเล็นิดหนึ่งแล้วมันก็เหมือนเรามองมองมันจิตไม่ไม่มีสวว่วนร่วมในเหตุการณ์ก็ดีถือว่าเรามีสติมีสติแต่สิ่งที่เราควรจะมีขั้นต่อไปก็คือมีปัญญาสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเกิดความตกใจขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหยุดความตกใจได้ เราก็บอกว่าเออมันเป็นธรรมดาร่างกายมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บบ้างหรือย่างหรือย่งมากก็แค่ตายมันก็จะรังับความตกใจความใจหายใจอะไรได้ระหว่างที่มันตื้นนี่มันมีอาการตกใจขึ้นไหมหลังจากนั้นก็ไปตกใจหลังตกใจมันก็พลิก เนี่ยผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจริญสติปัญญาก็ตอนตอนที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในการที่จะมาสั่นสะเทือนจิตใจของเราถ้าเรามีสติปัญญามันก็จะระ ง, งับความสันส่นสะเทือนความอกสั่นคว้านแขวนได้แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานี้บางทีมันสติแตกไปเลยกลัวเป็นบ้าไปเลยก็มีบางทีอันนี้แหละคือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเจริญสติ มานั่งสมาธิมาพิจารณาปัญญากันมาเจริญปัญญากันเพื่อที่จะรักษาใจของเราให้อยู่เป็นปกติในระหว่างเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนกับจิตใจเราจิตใจเราก็จะปลอดภัยถูกทางมันก็ทำให้เราได้ได้ผลอย่างที่เราปรากฏขึ้นมา แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าได้ผลถึงขนาดไหนเพราะเรายังอาจจะไม่เจอความเจ็บมากกว่านี้ถ้าความเจ็บมากกว่านี้จะดูว่าใจยังจะนิ่งเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเพราะมันมีขีดของความสามารถของจิตของสติปัญญาในแต่ละระดับว่าจะรับเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้ในระดับไหน ถ้าเราถึงนี่ถึงระดับที่เรารับไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องทำการบ้านเพิ่มแล้ว yeah. การบ้านที่เราทำมานี้สอบได้แค่ระดับนี้ระดับที่สูงกว่านี้เรายังทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำการบ้านเพื่อที่จะมาทำข้อสอบระดับนี้ให้ได้ <c oughs> ต่อไปอเวลี่ว่านี่นอนนะคะก่อนที่เราจะช่งบรรทุนเป็น่วงที่รูบทที่สุดในทางบริบาตเ คือนจะเดนนังในบ้านแล้วก็คือเวลาจะนอนเนี่ยนจะดูลมหายใจ่ะค่อยๆยูไปเรื่อยๆจนกว่าเีลาทิ้ที่เราจะหลับลงไปค่ะแต่บางทีถ้าไม่หลับอยูก็คือจะให้ตัวเองหลัก็คือค่อยๆดูจนถึงมันจะมีช็อตสุดท้ายที่เราจะเห็นว่าเราจะตกลงไปในเทวรลงไปในหลัอแต่ถ้าเราจะไม่ให้หลับหนูก็จะกระตุ้นตัวเองคมนปิดไฟแต่าเท่หนัวองร้สึกทื่อนานหัทางแบบนี้บ่อยๆก็ไม่รู้ว่า ก็ได้ถ้าเรามีสติเราจะควบคุมใจได้จะปล่อยให้มันหลับก็ได้จะปล่อยให้จะดึงมันให้ตื่นก็ได้ก็ยังอยู่นน้องแน่อนล้วก็ในช่วงในช่วงทีปกติจังหวะเนี่ยคือทำงานที่ได้นะะก็คือว่ามึนก็จะมีารบทเวลาก็าหนุ่เดินก้าไปอะี้ยของไปทํางหน้ไปมันคือกนการเค่อนหวองรงกายแล้วก็มันจะย้อนสัมรู้สจารปทในก็หวาแล้วตอนนีจะเี แล้วหนก็คุานก็มนว่านตัดกันอบีเห็นห่งกลับมาึกลับมาอยู่ที่านบางทีหนก็รู้สึกว่าหนูตัดอะไอมีแค่อะไรมันมือนตั้งคือเราดึงมันกลับมาดึงด้วยสติแต่เรายังไม่ได้ดึงด้วยปัญญาถ้าดึงด้วยปัญญานี่มันจะไม่ต้องบังคับมันมันจะกลับเข้ามาเองแต่ถ้าดึงด้วยสติเหมือนเราลากมันเข้ามาจะให้มันกลับเข้ามาโดยที่มันไม่ต้องลากมันเข้ามาก็ต้องไม ให้มันเห็นโทษของการออกไปได้เห็นว่าการออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นการสุมไฟเข้ามาในหัวใจสุ่มความทุกข์ขึ้นมาถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ยากมันก็จะไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องอะไรต่างๆก่อนที่เวลาที่ใจเราจะไปรับอารมณ์อย่าสักอย่างเนี่มันจะเกิดอาการหนักขึ้นมาการใจเ่ยเพราะอย่างบันทีถ้าหนูเริ่มคิดอะไรสักอย่างปุ๊บเนี่ยบางทีคิดในเรื่องที่ดีนะคะมันก็จะเริ่มมีน้ําหนักอยู่ที่ใจแล้วบางทีคิดเร่มีมัน คือใจมันอยากจะออกไงกิเลสมันอยากจะดันออกถ้าเบามันแสดงว่ากิเลสมันไม่มีพอมันหนักแป๊บนี้แสดงว่ามันกิเลสมันเริ่มเริ่มรังควานละตันหาเริ่มออกละอยากจะไปรับรู้เรื่องต่างๆขึ้นมาละมันก็จะเดินออกไปแต่ถ้าเรามีปัญญาสอนเราเดินไปหาไฟแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนนี้ไปหาห้ามาใส่หัวอย่างนี้มันก็จะกลับเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ลองฝึกไปเรื่อยๆ สติมีกําลังเพลงแต่ดึงมันไว้แต่พอเวลาที่เราเผลอสติเมื่อไหร่เลือสติอ่อนกําลังเมื่อไหร่ไอความหนัก อ, อกหนักใจนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะดันให้ใจออกไปข้างนอกเออเฉนั้นเราต้องต้องเจริญปัญญาต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจออกไปรับรู้นั่นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตามองให้เห็นให้ได้ว่าเป็นทั้งสามส่วนนี้ถ้าเห็นแล้วมันจะจะดึงกลับเข้ามามันจะกลับมันจะไม่อยากออกไป ไม่เที่งหรือว่าหนหมูที่หมูว่ามีเหตรปนของของหลายอย่างตลอดเวลานะคะ่วามนยมันองใจแตหูเห็นว่าทุกอย่างแปไปเท่าน่งพูดเคื่อนเห็นว่าทอย่างปงไต่หนูยังไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี่ต้องด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เราลักเราหวง ถ้าไปเกิดกับสิ่งที่เรารักเราห่วงนี่มันจะเห็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็จะเข็ดเช่นเราสูญเสียคนที่เรารักไปและสิ่งที่เรารักไปเวลานั้น่ะมันจะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียแล้วเวลานั้นมันถึงจะเข้าใจความหมายของว่าความไม่เที่ยงนี้เป็นทุกข์เพราะฮัเพราะอะไรแต่ถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นพระอาทิตย์ตก อย่างนี้มันไม่ค่อยมีน้ำหนักอะไรเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่เราต้องดูบัญชีเงินเงินฝากของเรามันลดเลยมันหายไปอย่างงี้ <c oughs> ดูจะว่ามันต้องดูสิ่งที่มันสะเทือนใจเราก็า ด, ดูในสัตว์ใจแวดล้อมอนูกับ<อ>ท่านมเห็นนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ว่าบางทีเปลี่ยนในทางที่ดีหนูก็ไม่สีใจเปลี่ยนใทนทางเพราะเราไม่ได้มีความสัมพันธ์หนักหนาอะไรกับมันไง มันจะขึ้นจะลงมันไม่มากระทบกระเทือนเราเราต้องดูไอ้ของที่มันกระทบกระกระเทือนเราเราถึงจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยใจเราทุกข์เพราะว่าเราไปไปอาศัยมันไปไปไปยึดติดมันให้เป็นที่พึ่งเป็นให้ความสุขกับเราพอมันเสื่อมมันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เวลานั้นมันก็จะทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมามันถึงจะเห็นความความเสื่อมว่าเป็นโทษ แล้วต่อไปเราจะได้ไม่ไปหวังพึ่งมันอีกต่อไปในตอนนี้เรายังพึ่งเงินทองอยู่ล้วก็ต้องหาทางหาวิธีว่าทำไงเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินทอง mm hmm. ก็คือพยายามใชใ้มันน้อยที่สุดใช้เท่าที่จําเป็นมันก็จะทำให้การที่เราจะต้องไปพึ่งเงินทองนี้มันมันไม่มากพอเกิดเสื่อมขึ้นมาเราก็จะไม่เดือดร้อน ก็คือต้องเปลี่ยนสถานที่ต้องเปลี่ยนสนามสนามสอบสนามสอบที่เราอยู่ทุกวันนี้มันทิ่นชามันมันมันมันด้านใะ่ไหมมันไม่มีความท้าทายแล้วเราต้องไปหาสนามสอบที่มันท้าทายความความกลัวความอะไรของเราจริงจริงประกอบในหนูก็ไปอยู่วัดที่ไหนหลาวันนะคะที่ไม่มีไฟที่แบบว่า ที่แม่ค่ะทำให้เราแบบเด <c oughs> <c oughs> ือดเดือดพ้อมาหนอ้างดิคือจริงๆพี่ยากจะให้หนูเป็นลูกคนเดียวเอาก็คุณถามไม่ใช่คุณท่านทําไงต่อไปแล้วก็บอกนี่ว่าคุณก็ต้องหาสนามสอบใหม่ไม่งั้นคุณก็จะได้แค่นี้ใช่ไหมคุณสอบระดับปรถมได้แล้วคุณก็อยากจะขึ้นชั้นมัธยมคุณก็ต้องไปสอบซ้อมสอบระดับมัธยมมันมีระดับระดับของมันคือระดับของความทุกข์จะต้องมากขึ้น มันจะได้ทำให้เรายกระดับจติตปัญญาของเราขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับความทุกข์ที่เราต้องเผชิญนี้ก็ลองอดทับยังอยู่กับคุณแม่ก็ลองอดข้าวดูเลยเคยกินวันละกี่มื้อก็ลดมันลงไปสามมื้อก็เหลือสองมือ้อสองมื้อก็เหลือมื้อเดียวมื้อเดียวก็อดวันกินวันดูเคยดู ละครก็เลิกดูเคยอะไรกินขนมนมเนยที่ไม่จําเป็นจะต้องกินนอกเวลาก็อย่าไปกินมันถ้าจะกินก็กินเวลาเดียวพร้อมกับอาหารไปเลยอะไรเงี้ยให้มีความเข้มงวดกดขางเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปรพภาบีบมันให้มันน้อยลงให้มันน้อยลงดูน้อยลงฟังน้อยลงดื่มน้อยลงรับประทานน้อยลงแล้วมันก็จะบังคับให้จิตใจ เราสติปัญญาจะต้องควบคุมใจให้มันนิ่งมากขึ้นมันถึงจะรับกับความความบีบบังคับต่างๆเหล่านี้ได้แล้วมันก็จะทำให้กำลังของใจเรามีมากขึ้นแล้วต่อไปเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่เป็นคล้ายๆแบบนี้เราก็จะได้ไม่วไหวั่นไหวมาทางอินเทอร์เน็ตได้ละ ครับเป็นคำถามที่ฝากส่งามาทางข้อความครับอาจารย์จากคุณวั น, นภาครับการปฏิบัติธรรมพระที่เป็นผู้สอนสามารถบอกว่าคนนั้นคนนี้ปฏิบัติได้เป็นอริยบุคคลชั้นต่างๆได้ไหมได้ก็พระพุทธเจ้ายังพูดเลยอัญญาณโกนทัญญเธอรู้ลแล้วหนอะเธอรู้ลแล้วหนอเนี่ยได้ แต่บางครั้งอาจจะต้องคุยกันก่อนแต่บางครั้งบางคนอาจจะไม่ต้องคุยอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านเห็นวารัจิตของผู้อื่นได้รู้รู้จิตใจของผู้ฟังได้ว่าไปถึงไหนแล้วก็ไม่ต้องถามกันแต่สำหรับบางท่านอ่านวาลัจิตไม่ได้ก็ต้องคุยกันถามตอบกันเหมือนกับสอบสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยคนที่สัมภาษณ์คนที่มาสอบก็จะต้องรู้ภูมิของเขา แล้วถามแล้วเขาตอบปัญหาได้หรือเปล่าถ้าตอบได้าตอบถูกเขาก็รูปภูมิแล้วว่าเออคนนี้ผ่านแล้วถ้าคนสอนไม่สามารถที่จะสอบคนคนเรียนได้ก็แสดงวา่าคนสอนก็ยังไม่มีภูมิมีคําถามเดียวยอ่าอีกคําถามนึงครับจากคุณมนุษย์เดินดินนะครับ ขออนุญาตสอบถามข้อแนะนำแนวปฏิบัติพอดีกับผมมีความไม่สบายใจกลัวแม่มีความทุกข์รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นบาปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจแล้วมาทุกข์กับการกระทำของเราเรื่องมีอยู่ว่าคือผมได้ไปทำการกู้หนี้ยืมสินมาจำนวนหนึ่งจำนวนเงินก็หลายแสนและก็ได้นาไปซื้อรถแต่ออกในชื่อแฟนซึ่งคบกันมาแต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน แต่ตอนนี้เลิกกันแล้วแถมเขายังเอาเงินไปอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเขาเอาไปลงทุนไว้หลักแสนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คืนและรถก็ยังเป็นชื่อเขาแต่รถยังอยู่กับผมแต่ทีนี้แม่ผมรู้ว่ารถเป็นชื่อเขาและเขาได้เอาเงินไปด้วยจึงเป็นเดือดร้อนใจกลัวเขาจะไม่ให้คืนกลัวเขาโกงผมกลัวเขามาแย่งเอารถคืน ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเวรกรรมที่เราได้เคยทำกับเขาวไว้ในชาติก่อนจะขอก้อมหน้ารับกรรมต่อไปจึงได้ส่งผลในชาตินี้แต่แม่ผมยังเป็นทุกข์พอเรื่องนี้ผมต้องทำอย่างไรให้แม่มีความสุขปล่อยวางจากเรื่องพวกนี้ผมกลัวแม่ไม่สบายใจแล้วจมกับกองทุกข์ที่ผมสร้างขึ้นมา ก็ต้องทำมแม่เป็นพระโสดาบันให้ได้ถ้าแม่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีเกิดย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาแม่ก็จะหายทุกข์ถ้ายังเป็นโสดาบันไม่ได้ก็เป็นกรรมของแม่ไปแต่มันไม่ได้เป็นเป็นความผิดของเราที่แม่มาทุกกับเราเป็นความผิดของแม่เองที่ยังมีกิเลสมีตัณหามีความอยากอ ย, กอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้แม่เป็นบรรลุโสดาบันก็ต้องทำเหมือนพระพุทธเจ้าออกบวชก่อนออกบวชจนกระทั่งตัดสรู้แล้วก็ไปสอนพุทธมารดาบุญสวรรค์จนได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาถ้ายังทำไม่ได้ก็ทำใจว่าเป็นเรื่องของของกรรมใครกรรมมันก็นแล้วกัน ถ้ายังมีความหลงยังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามกันได้มีแต่สอนได้บอกได้เท่านั้นเองส่วนเขาจะฟังหรือไม่ฟังหรือฟังแล้วเขามีความสามารถที่จะทำใจได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้ว พระพุทธเจ้าก็สอนคนเยอะบางคนก็ไปถึงนิพพานบางคนก็ไปไม่ถึงนิพพานมีพรามถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพราหมคุณก็เป็นคนบอกทางคนใช่ั้ยเวลาคนเข้ามาถามทางคุณว่าจะเดินทางไปเมืองนั้นเ <m> มือง น, นี้จะต้องเดินทางไปอย่างไรแล้วคนที่ก็ามาถามคนนุณนี่เข้าไปถึงเมืองนั้นเมือง น, นี้หรือเปล่า <m> <m> เขาก็บอกบางคนก็ไปถึง <m> บางคนก็ไปไม่ถึง ก็เช่นเดียวกันเราสอนเขาแล้วทางให้ไปสู่พระนิพพานทางให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เขาจะไปถึงไม่ถึงนั้นมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราเสียแล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาปฏิบัติทำทําตามที่เราสอนเขาก็จะต้องไปถึงถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็จะไปไม่ถึง ดังนั้นการที่ได้มีคู่อบรมสั่งสอนแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนนี้จะได้บรรลุผลขึ้นมาทันทียังอยู่ที่ผู้ฟังว่าจะน้อมเอามาปฏิบัติกับใจของตนได้หรือเปล่าอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าต่อให้นั่งเกาะชายผ้าเหลืองฟังเทศฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่เอาไปปฏิบัติ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนเหมือนกับอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นร้อยโยชต์พันโยชต์แต่สําหรับผู้ที่อยู่ห่างกายจากพระพุทธเจ้าเป็น 100, ร้อยโยต์พันโยชต์แต่น้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติผู้นั้นก็จะไม่ได้อยู่ห่างไกยจากพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนผู้เกาะชายผ้าเหลืองที่แท้จริงเพราะผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้ที่เห็นตถาคตผู้ใดปฏิบัติจนเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่จะเห็นตถาคุผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคุผู้เห็นตถาคุก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นดังนั้นการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หรืออยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าใจของเราอยู่ใกล้พระธรรมคาสอนของท่านหรือเปล่า แล้วใจของเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของท่านหรือเปล่าเท่านั้นอย่างพระอนนท์นี่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบกว่าปีด้วยกันได้ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแม้นขณะที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในที่อื่นแล้วอัญญาณโกนธัญะออพระอานนท์ไม่ได้ตามเสด็จไปฟังด้วยก็ยังมีเงื่อนไขให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงธรรมให้แก่พระอนนท์ฟัง พระ อ, อนนท์ก็เป็นผู้ที่มีความจำที่ดีเลิศจำได้ทุกคำทุกสูตรของพระสูตรของพระพุทธเจ้าทุกกานเทศของพุทธเจ้าเนื่งจากว่าพระ อ, อนนท์ท่านไม่มีเวลาไปเปรกวิเวกไปบปําเพ็ญท่านั้นเองเพราะท่านจะมวยยุ่งอยู่กับภารกิจการดูแลพระพุทธเจ้าอุปถัพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติมีการมีคาสอนอยู่ในใจแต่ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติ ก็เลยไม่ได้บรรลุเหมือนกับภาษาโลกลูปอื่นที่หลังจากได้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลาไปปลิกวิเวกแล้วก็ไปปฏิบัติกันแล้วก็บรรลุกันแต่พอที่พระพุทธเจ้าเสเด็จปรินิพานไปแล้วเพียงระยะเวลาสามเดือนพระอ น, นุ์ก็สามารถปฏิบัติจนบรรลุได้เพราะตอนนั้นพระอ น, นุ์ไม่มีภารกิจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วมีเวลาว่างเต็มที่แล้ว ก็เลยไปปีกเว่เว่ยบำเพ็ญอยู่สามเดือนด้วยกันก็ได้บรรลุตามที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงจากไปแล้วสามเดือนอานุนก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนดังนั้นมันองค์ประกอบที่สําคัญก็คือการปฏิบัติการรับคําสอนก็สําคัญเท่ากันสําคัญมากกว่าด้วยแตไม่พอเพียง การรับคำสอนเพียงอย่างเดียวแล้วไม่นำเอามาปฏิบัติกับใจมันก็ยังไม่ไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาได้แต่ถ้ารับคำสอนแล้วนำเอามาปฏิบัติกับใจพร้อมๆกันไปก็สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะจักรให้แก่พระปัญจวัคคีย์ท่านเหล่านั้นก็นำมาพิจารณาพร้อมๆกันไป เข้าใจพอเข้าใจปั๊บก็ดับความทุกข์ดับความสงสัยดับความอะไรภายในใจได้อันนี้ต้องมีการปฏิบัติ ด, ด้วยแต่ถ้าฟังเฉยๆแล้วยังไม่น้อมเอามาพิจารณาก็จะไม่เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจ <c oughs> หรือเอามาพิจารณาแล้วแต่ยังทําใจไม่ได้เช่นบอกให้ปล่อยร่างกายยังปล่อยไม่ได้อย่างนี้ก็ยังบรรลุไม่ได้ หมดแล้วเลยเ ค, คำถามว่ามากานที่ตั้งของสติแทนเราเราและเรามาถนที่จะดูที่รองหัวใจที่เราจอดูที่ความรู้สึกที่อยู่การอความรู้สึกจับเฉพาะความรู้สึกตรงนั้นได้มีหลายที่ที่เราจะใช้คือกรรมฐานเนี่ยมีอยู่สี่สิบกรรมฐานด้วยกันกรรมฐานนี่ก็เป็นที่ที่ตั้งของสติ ถ้ามีสติแล้วต่อไปเราก็จะเข้าสู่ตัวรู้คือตัวใจได้ฉนั้นฐานที่เราจะใช้ในการเจริญสตินี้มีอยู่หลายแบบด้วยกันถ้าเราใช้การบริกรรมพุโทโธเราก็ให้อยู่กับคำว่าพุโทโธไปถ้าเราดูลมหายใจก็มีอยู่สองสองจุดดูที่กลางอกก็ได้หรือดูที่ปลายจมูกก็ได้ให้เอาที่ใดที่หนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะทําให้ใจไม่นิ่งเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจอยู่ที่เดียวถ้าจะดูที่กลาง อ, อกก็ดูที่กลาง อ, อกไปเช่นยุบหนอะพองเนอเวลาหายใจออกมันก็ยุบเข้าไปเวลาหายใจเข้ามันก็พองออกมาหรือจะดูที่ปลายจมูกก็ดูตรงที่ลมสัมผัสเข้าออกดังนมันมีหลายหลายหลายหลา ย, หลายจุดที่เราจะใช้เป็นที่ตั้งของสติได้ แล้วเรามาทําความรู้สึกในใจในบดของเราด้วยใช่ไหมครตอนที่เราเครื่อหรือใช่ถ้าเราเวลาไม่นั่งเนี่เราก็มาดูใช้ร่างกายเป็นเป็นที่ตั้งของสติได้ถ้าเราเดินเราจะใช้เท้าเป็นฐานก็ได้เป็นเท้าซ้ายก้าวก็รู้ว่าซ้ายขวาก็ขวาอย่างหรือเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆแล้วมันแวไปเห็นความคิดก็ดูความคิดด้วย ไ, ไม่ไม่ได้ต้องกลับมาดูที่ที่ฐานเรารอย่างเดียวอันนั้เราใช้อันไหนก็ให้อยู่กับอันนั้น ถ้าไปคิดแล้วมันก็จะเผลอสติแล้วมันจะลอยไปแล้วมันจะไม่นิ่งแลให้มันอยู่กับฐานอยู่ที่เดียวออกจากเม่ก็เราจะเห็นความคิดไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเพราะเดี๋ยวมันจะเผลอไปคุยกับมันไปคิดกับมันต่อแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แต่ถ้าเราอยู่กับอยู่กับฐานอย่างเดียวที่เราตั้งไว้มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ โยงรู้สึกว่าถ้าโยมอยู่กับฐานกายแล้วรู้สึกมันจะตื่นแล้วก็มันชัดเจนนแต่ถ้าอยู่กับฐานความคิดเนี่ยบางทีมันเหมือนจับไปแล้วมันไม่มีลาใช่แล้วความคิดของเรามันก็ยังไม่เป็นปัญญาไงมันจะคิดไปตามกําลังของกิเลสตัณหามันก็จะทําให้ใจเออ่ไม่นิ่งไม่สงบแต่ถ้ามันคิดไปในทางปัญญาได้มันก็จะทําให้ใจสงบได้ที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ใ, ใจเราไปคิดกังวลเรื่องลูกเรื่องสามีเราก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็หยุดคิดเรื่องเขาได้ปล่อยเขาได้เดี๋ยวเขาก็ตายแล้วคิดอย่างนี้ไปทุกข์กับเขาทําไมไปกังวลกับเขาทาไมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าคิดแล้วยิ่งคิดยิ่งห่วงยิ่งห่วงทนอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปดูเขาไปหาเขาอย่างนี้ ก็แสดงว่าเพอสติแล้วถ้าคิดก็คิดเพื่อให้เราปล่อยวางเขาไม่ให้ไปกังวลกับเขาไม่ให้ไปยุ่งกับเขาถ้าไม่ถ้าถ้าคิดอย่างนี้ไม่เป็นก็อย่าไปคิดเดี๋ยวมันจะแทนที่จะสงบมันกลับจะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ขั้นตอนนี้เราต้องการที่จะหยุดความคิดก่อนให้ใจเข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนและตอนที่มันเข้าถึงฐานที่ตั้งของจิตเนี่มน มีตัวรู้อยู่ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อยู่อยู่กับโอเบคาเฉยวางเฉยไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรมีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วจะไม่อยากได้อะไรต่อไปอยากจะเข้าหาตัวนี้อยู่เรื่อยเมื่อก่อนอยากจะไปหาแฟนพอเจอตัวนี้แล้วก็ทิ้งแฟนได้เลย <c oughs> <c oughs> แฟนจะไปไหนก็ไปเลยไม่หวงนะกราจายไหม ทำไมเราถึงจะทรงตัวผู้รู้ให้รู้ตรงนั้นมันนานที่สุดนะสติไงอยู่ที่สติให้มีสติสัมปชัญญะแล้วมันจะมันก็จะเข้าหาตัวรู้ทันทีก่ อ, อนหน้าที่เราจะเข้าหาตัวรู้นี่ลมหายใจแล้วก็จะหายการแล้วก็จะหายใจต้องหายหมดเลยถ้าเฉยผู้รู้อก็ เ, เจออยู่ครั้ประมาณสิบนาทีอดีให้อยู่อย่างนั้นไปแล้วต่อหลังก็ลมก็กลับมาแล้วก็ทําใหม่ เกือบสิบกว่าปีแล้วโอ้โห <ขอ S 1> ทำมันเดียว <laughs> นะทำไมไม่ดูดืนใจเลยไม่ติดใจเลอติดใจแต่ดูไม่รู้ว่านั่นหละเข้านั่นแหละจตกตลังกอ่านเขาหนัสือของหลวงพ่อพุธเรื่องลำดับลาดับชาหนูงรู้อ๋ อ, อมันมันเข้าไปของมันเอ ง, อง่ะไม่ ไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นแค่ครั้งแล้วไม่รู้ว่าเข้าไปยังไงอ๋อมันเข้าไปโดยจได้จตอนที่มึนเข้าแล้แล้วก็ว่าเราดูลมหายใจมันก็แฝงชื่อช้าเนี่ยแล้วส้มันมันหายมันหายมันไแบบมันแบบนิ่งๆนะะมันลงแบบนิ่งๆแล้วมันก็แต่มันรู้ตัวตลก็เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กพอเาปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวจิตมันก็เข้าสู่ความสงบใหม่แมันก็ค้ังเทียวครับก็ตอนนี้ก็กลับมาทาใหม่ได้แล้ว แต่เวลาทําอย่าไปคิดถึงผลที่เราได้ ไ, ได้ค่ตอนนั้นหนูไปเข้าคอร์สแล้ววันหนึ่งอยากทำต้องหกคาบมันมันมีความเพียรันก็ใช้ใช้ความเพียรเยอะหน่อยอ อ, อพออยู่เฉยๆมันก็เลยสงบเลยก็ประหยัดไปทําใหม่ทําต่อแต่เวลาทําอย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้มาแล้วก็แล้วกันให้อยู่กับเหตุอยู่อยู่กับการตั้งสติส่วนผลนี่มันจะต้องเกิดตามธรรมชาติของมัน ถ้าเราไปจ้องไปคิดถึงมันมันจะไม่เกิดให้จ้องอยู่ที่เหตุคือสติถ้าเรามีฐานอยู่ที่ร่างกายก็อยู่กับร่างกายไปอย่าไปคิดว่าไม่สงสักทีเมื่อไหร่จะสงบถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้คุณลูกก็สุกทั้งสองอย่างอ่ะเคยไปยฝึกฐานกายแล้วก็ไปฝึกฐาน ฐานความคิดหาดูที่ที่ดูจิต่ะคะแต่ว่ากำลังก็เลยมาคนพบว่าถ้าเราดูจิตโดยที่เราไม่มีฐานที่ตั้งของแต่ละสัญญาเราไม่ได้ไม่ใช่เราต้องมสังขารใช่ใช่ไม่ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะดูจิตได้ถึงจะควบคุมจิตได้ถูกแล้วเนี่ยมาถูกทางแล้วกลับมาที่สมถะก่อนอย่าเพิ่งไปวิปัสสนา ที่เราทําสมาธิเจ็ดสบใ น, ในสักระยะหนึ่งได้ตอนจิตที่ทอดออกมาทีบางครั้งพยายามจะดูว่าไอ้ที่สุบุกนี้เพราะอะไรเกิดจากอะไรทีมึงคิดตรงนั้นพี่จะย้อนไปดูทางเดินของ ม, มันตรงเนี้ยมันมือนมัมองไม่ออกจะเป็นต้องอย่างนี้ไหมคะก็มันมจะมองไม่ออกก็รู้เนี่วไว่แล้วเวลาเริ่มต้นเราทํายังไงเรานั่งเราตั้งสติไงก็แค่นั้นเองจะเป็นรู้อะไรมากไปกว่า น, นั้นรู้ว่าสติเราต่อเ น, นื่องอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้หรือเปล่า ถ้ามันต่อเนื่องมันไม่แวะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบง่ายถ้ามันไปคิดปับ๊บมันก็จะไม่สงบ น, นี่เพื่อนกลับมาถามนะคะอันนี้เข้าไปวัดป่าที่ถ้ำสายมาวันนั้นเขาไปถึงที่ถ้าสายตีสามเมื่อเขาไปที่นอนเรือนยาวถามว่า ข, าขาที่เขานอนอยู่เพราเออวันนี้มาเหนื่อยมากนะก็ไม่สวดมนต์ขอนอนเลยนะสักคู่หนึ่งเขาบอกเครื่อ ง, ง, งไปเนี่ยเหมือนวิญญาณมาล็อกคอเขาค่ะอื เราขอเขาอ้ายังทั้งพุโทโธพุโทโธเหมือนกับสู้กับวิญญาณคนนั้นแล้ ว, วพยายามสวดมนต์ไว้พระคือวิญญาณก็ไม่สนใจบอกเขาบอกว่าเธอมา น, นอนทับที่ฉันแล้วบอกว่าขอนอนตับเดียวเขาบอกขอนอนตับเดียวบอเอองั้นแล้ของที่เธอวางเนี่ยเกะ ก, กะเรามากเลยนะพอเพื่อนเราไปตอบว่าของที่วางเนี่ยขอเป็นของที่จะทําบุพรุ่งนี้เดี๋ยวทำบุญที่ไปให้เขาเลยยอมแล้วออกไปทีนี้เขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาแขนพ้าเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะบริจาคเงนได้ก็พระที่แขวนมันเป็นเพียงวัตถุไงมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเป็นความเชื่อของเราเองเท่านั้นเองแขวนพระตายเป็นนิยมอันมีเป็นความเชื่อพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราอยู่ที่ทำผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพ้านี่เป็นเพียงก้อนดินก้อนหินก้อนอะไรที่ เรามาทําเป็นรูปพระเท่านั้นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการห้อยพระไม่มีไม่มีเครื่องรางของขลังไม่มีสิ่งสักอะไรพระปฏิบัติจะไม่มีแจกพระพุทธ ร, รูปไม่มีแจกอะไรต่างๆแบบนี้นะเพราะมันเป็นของปลอมไงมันปกป้องไม่ได้สิ่งที่จะปกป้องเราก็คือธรรมะ อทีมอ ไ, ไม่เป็นไรละ น, นั่นเป็นเรื่องของเขาอะานอาจจะเป็นวิญญาณ น, นอกก็ได้วิญญาณในก็ได้วิญญาณในก็คือจิตมันมันผลิตขึ้นมาเองก็ได้อืเ น, นี่ยมันจะนอกหรือในก็ไม่สําคัญขอให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับเขาก็แล้วกัน็คืออย่าไปกลัวเขาแล้วก็ปล่อยเขาเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปคุยกับเขาได้ก็คุยไปให้มีแผ่เมตตาไว้ก็แล้วกัน อย่าไปมีสัตรูอย่าไม่มีอะไรกันก็ไม่มีปัญหาเลยทีนี้ในขณะเดียกันเพื่อนที่นอนอีกฝั่งตรงข้ามเป็นผู้ชายใช่บอกว่าเนี่ยวิญญาณพุ่งมาเขาทะเลาะเลยแต่ทำอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลยคืว่ามีผู้วิญาณผู้หาอีกคนนึงที่อยู่นอนอีกข้างอแจะทําอะไรทำเขาไม่ได้เขาอาจจะเพราะว่าเขาไม่ออกมารับรู้มั้งก็ไม่ตอบโต้เขาเฉย ก็แล้วแต่แต่และคนมีมีจิตไม่เหมือนกันมีความมั่นคงของจิตไม่เหมือนถ้าจิตมีความมั่นคงมากๆมีสติมากๆจะไม่มีอะไรเกิดขึน้นแล้ อ, อีกอีกเรื่องนะคะที่ไปนอนวัดป่าดี่ยกันนอนเลี้ยงแถวกันนี่ค่ะอีกคนหนึ่งเขบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยยินยันก็บอกว่ามาปกลกเราเนี่ยลุกขึ้นมาภาวนาได้แล้วอใช่ไหมฮนะอีกคนบอกที่ตื่นเช้ามามาคุยกัน ไอ้คนทั้งทางเอ๊ะไม่เห็นมาปลูกฉันบ้างเลยล่ะฉันก็นอนหลับสบายออกเราไม่เหมือนกันไงคือความจริงของโมนีบางทีมันเป็นเรื่องเหมือนกับของความฝันไงนอนบางคนก็ฝันบางคนก็ไม่ฝันแต่เราไปคิดว่าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเข้ามาหาเราความจริงมันเป็นความฝันของเราก็ได้แต่มันไม่เหมือนกันหรอกอยู่ที่เดียวกันนอนด้วยกันนี่แต่ละคนจะฝันไม่เหมือนกันเพราะฝันดีฝันร้ายอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทํากัน ถ้าเราทำดีเราก็จะฝันดีถ้าเราทำบาปเราก็จะฝันร้ายช่งท้อาจจะิดอีกน่เเธอออถเธอไม่ค่อยยนพรมนะแต่ฉันยน พ, พรมนะรรมางไม่มาหกไม่มากฉันก <c oughs> ็แล้วแต่จะคิดอยู่ที่ว่ามันกระทรบกระเทือนใจหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราปล่อยให้มันผ่านไปจบไป ลืมไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแตถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วล้วเอามาคิดเอามาปรุงแต่งต่อมันก็ก็อาจจะทำให้เราหลงตามมันไปก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกให้พิจารว่าเป็นตายลักให้หมดเราจะปลอดภัยเขามาแล้วเขาไปแล้วเรายังมาวุ่นวายกับเขาทำไมใช่ไห ม, มให้คิดแค่นั้นอย่าไปแบก ผนี่จะดูกายดูใจไปด้วยเวลาเห็นแล้วเหมือนจะแยกเป็นหนึ่งเรื่องไปทีนี้เวลาทางทีแล้วมันปรุงใจมันต้องติดในตัวสติก็บอกว่าถ้ากายไม่ทําสักอย่างถ้าข่ากายไม่ทําการสักอย่างมันที่คิดมันก็ไม่มีผลอะไรใช่ดูเหมือนแมนบัรเทาได้ใช่เพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าใจไม่สั่งกายก็ทำอะไรไม่ได้หรือถ้าสั่งแล้วไม่ไปทำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเช่นคิดจะทำบาปแต่เราไม่ไปทำความคิดนั้นมันก็มันก็หายไปบาปก็ไม่เกิดดงนั้นก็ดีดูทั้งกายดูทั้งใจเพราะว่ามันเป็นการมีมีส่วนเกี่ยวข้องกันถ้าดูใจได้แล้วต่อไปก็จะควบคุมการกระทำทางร่างกายได้อย่างง่ายได้เพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่ใจก่อน แต่ถ้าเรามาดูที่กายนี่บางทีมันสายไปแล้วมันมันดับไม่ได้แล้วเช่นไปด่าเขาแล้วเค่อยมารู้รู้ตัวว่าเออไม่ไม่ควรจะด่าแต่ถ้าดูที่ใจมันกำลังจะด่าเริ่มคิดจะด่าเขากจะรู้ว่าเอออย่าไปด่าเขานัไม่ดีไม่ทำตามไม่ทำตามแล้วมันก็จะหายไปไม่ใช้กายเป็นเรื่องมออ่าไม่ใช้กายมันก็จะไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีบาปตามมา เาละนะคิดว่าสมกวดพอดีก็ขอให้นามเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งย่ขึ้นไปเทอน ได้หรือยัุสทใจสักการเยอะไรตาสาทุกอย่าง